พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบสี่ลำดับที่สี่โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่ส1บเอ็ดสิงหาคมสอง6ันห้า้ห้าสิบหมีชื่อเรื่องว่าจะเชื่ออะไรควรใช้ปัญญาเอาฟังนะ ท, นนะนะท่านีนะคณะสัตยาติโยม ลูกหลานพระน้องพาะน่งพาลูกพาหลานศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนตั้งใจฟังเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดให้ฟังฟังนานทีปีหนพวกเราจะมาพบมาเจอกัน เ, เรื่องการถ่ายรูปที่มีแลดงดไว้ก่อนนะให้อยู่ในความสงบผู้ที่ถ่ายรูปก็บางทีอาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาก็ให้หยุดรอรอไว้ก่อนถ้าเมื่อเทศจบแล้วค่อย ว่ากันและก็พร้อมกันวิทยุไอ้โทรศัพท์อย่างที่หลวงพอ่เอเหลือที่เป็นประธานในที่ท่านพูดโคศกจบลงสักครู่นี้ท่านบอกว่าให้ปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนเพราะว่าจะเป็นการรบ ก, กวนคนอื่นเขาในขณะที่โทรศัพท์เสียงดังถ้าว่ามันบังเอิญมันดังขึ้นมาเราอยากจะพูดคุยโทรศัพท์ก็ย่ามาคุยโทรศัพท์ในขณะ ลวงพ่อกำลังเทศออกไปคุยกันข้างนอกหรือใครมีทุระที่จะต้องคุยกันก็จะมาคุยกันที่ศาลาเป็นการรบกวนคนอื่นเขาให้เราออกไปคุยกันข้างนอกตรงนี้เป็นตรงฟังมาฟังมาเพื่อการศึกษาเราไม่ใช่มาเที่ยวมาเล่นมาเล่นก็เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นเรามาฟังมาสร้างบุญสร้างกุศล มาฟังถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงก็ให้ฟังก่อนเพื่อการศึกษาเพราะนั้นหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งคณะสงฆ์มีคณะเจ้าคณะอำเภอบ้านผือเป็นหลักจากนั้นก็อำเภอ ละแวกใกล้ๆกันที่เป็นญาติธรรมหรือคณะสงฆ์ที่อยู่เป็นสหธรรมิกเป็นเพื่อนกันได้ชักชวนกันมาคารวะวัดของหลวงพ่อเป็นวัดที่หวันนี้และก็พร้อมกันพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมคงจะมาจากจาตุรทิศมาพักปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่คงจะหยุดหลายวันเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมจากถิ่นไกลก็คงจะขึ้นมาปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆเพราะนั้นวันนี้รู้สึกว่าศาลาของหลวงพ่อเล็กไปเสียแล้วคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมนั่งเต็มไปหมดทั้งข้างบนและข้างล่างเพราะนั้นต่อจ น, นี้ไปหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับ จะเน้นเรื่องจิตภาวนาเสมากกว่าในวันนี้เพราะพวกเราท่านทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์พระกรรมฐานมานมนานพวกเราก็คงจะได้ยินแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานั้นก็คงจะได้ยินประปายกับมิบางคนก็ไม่รู้จะทำยังไงมันจึงจะถูกต้องแต่เรื่องทานกับเรื่องศีล พวกเราก็เคยทำกันมาจนาชำนาญแล้วก็เคยชินชำนาญพร้อมที่จะทำบุญทำทานโดยตลอดมาเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารยา์ของพวกเราก็แนะนำสั่งสอนมาโดยตลอดแต่เรื่องจิตตภาวน า, ามีเล่เหลี่ยมเช็คแซกหลายเงื่อน เพราะว่าวิธีการปฏิบัติต่อตอนเองวิธีการภาวนากับตนเองพระพุทธเจ้าท่านวางไว้กรรมฐานทั้ง40อย่างพอพูดเพียงแค่นี้พวกเราก็จะคงงงแล้วว่าโอ้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงวางกรรมฐานไว้ตั้ง40อย่างแต่เรื่องทานเรื่องศีลทานศีลมีอยู่สองอย่างทานะคือการให้ศีละคือการรักษาศีล แต่ศีลนี่ก็สําหรับคารวะญาติโยมก็คือศีลห้าและศีลอุโบสถสําหรับพระศีลสองอยยีอันนี้ก็คือเราตายตัวในการดูในตํำรับตาราหรือว่าศึกษาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องศีลเพราะมันมีเป็นกฎระเบียบเหมือนกับกฎหมายกฎหมายก็มีมาตราที่เท่านั้นทวิที่เท่านีอ้อันนี้คือกฎหมายพระวินัยก็เช่นเดียวกัน แต่ส่วนธรรมเรื่องสมาธิธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมวิปัสนาธรรมอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวไม่ตายตัวสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์องคไหนจะแนะนำบอกกล่าวอย่างไรให้พวกเราได้ศึกษาแต่เบื้องต้นเรื่องทานพวกเราก็เคยทำบุญทำทานมาแล้วทานอามิษทานคือให้อามิษข่าวน้ำโภชนาอาหารเรียกว่าทานะคือทาน แล้วก็วิทยาทานคือคือให้ความรู้กับผู้คนทั้งหลายอย่างครูบาอาจารย์แนะนำวิธีการวิธีธรรมมาหาเลี้ยงชีพอันนี้เรี ว, ว่าวิทยาทานอาภัยทานก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่าไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรจนเกินไปถ้าบางคนเขาก็ไม่ได้เจตนา เราเห็นแล้วก็เออควรให้อภัยซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกพวกเราอยู่ใกล้กันก็จะได้รับความสงบพาสุขเพราะให้อภัยกันอันนี้ว่าอภัยยถาธรรมทานก็คืออย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาวัดหลวงพ่อหรือวัดครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ธรรมะแนวความคิดเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิธีการปฏิบัติตนจะทำยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรม จึงจะถูกทั้งคดีโลกและคดีธรรมครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนําวิธีการปฏิบัติสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้เรียกว่าธรรมทานส่วนเรื่องศีลศีลคือการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีกติกาการอยู่ด้วยกันถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับใครอยากจะทําอะไรทําตามอําเภอใจ ท ำ, ทำตามมัธยฐานใจพูดตามมัธยานใจอยากจะพูดอะไรก็พูดโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นต้องมีกฎกติกาขึ้นมา ว, วาเราศีลศีลข้อที่หนึ่งก็คือไม่ให้ฆ่ากันคิดฆ่ากันเขาเราเสรุปแล้วก็คือจริยธรรมเขาเราเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เดือดร้อนไปฆ่าพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเขาก็เดือดร้อนทุกใจ ถ้าเขามาฆ่าเราละ่ะพ่อแม่พี่น้องของเราเราก็ทุกข์ใจอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วการอยู่ด้วยกันต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างรักเคารพในญาติโกโหติกาหรือรักชีวิตของตนเองอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอย่าขาโมยกันถ้ า, าเราไปขโมยของเขาขาโมยพ่อแม่พี่น้องของเขาเรียกฆ่าทายเขามาเรียกเอาของเรา พ่อแม่พี่น้องของเราไปเรียกค่าไยเราเสียใจไหมเขาเสียใจไหมต่างคนก็ต่างเสียใจเพราะฉนั้นให้เคารพกันอย่าขโมยกันอันนี้คือขโมยใหญ่ขโมยเล็กลงไปก็ขโมยสิ่งของอะไรมีมากมายการขโมยเพราะฉะนั้นการขโมยกันไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนั้นก็ทําให้พวกเราอยู่ด้วยกันเรือดร้อนอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สกาเมสุมิจฉาจาราวรมณี สามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาไม่เคารพสิทธิ์เขาเขาก็เดือดร้อนเขาไม่เคารพสิทธิ์ของเราลูกหลานของเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราต้องคิดเห็นใจเขาใจเราอย่าไปเห็นเคื่อนความเคึกความขนองอความใช้อำนาจบาดใหญ่แล้วจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกัน เพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์เชื่งกันละกันอันนี้คือเคารพในในครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นและของเราและของเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาฮะอันนี้คือศินข้อที่สมข้อที่สี่มุษาอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเราไปเขามาต้มตุนหลอกลวงเราก็เช่นเดียวกันเราก็เสียใจเพราะนั้น ให้เคารพสิทธิ์เึื่งกัลกันข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าคนเราดื่มสุราเข้าไปเสพยาเสพติดเข้าไปเสพพวกคัญชา ย, ยาฟินเฮโรอีนแล้วดื่มสุราเข้าไปทําให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทาความชั่วได้ทุกอย่างเพราะขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าขาดสติแล้วทําความชั่ว ทำความเสียหายได้ทุกอย่างเพราะขาดการยับยัง้งขาดการคิดว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกเพราะเหตุไรเพราะขาดสติในเมื่อขาดสติความยับยั้งแล้วจะฆ่าใครก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เออและะ้วก็ขโมวยใครก็ได้ลาบประลวงสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกใครก็ได้อย่างพวกเราได้เห็นตามสื่อต่างๆนี่แหละอันนี้ก็คือสุราเพราะฉะนั้น ศีลห้าของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้กฎที่รักษ า, ากติการักษาพวกเราเให้พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าพระพุทธเจ้ า, าท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราให้อยู่ด้วยกฎกติกาให้อยู่ด้วยด้วยศีลด้วยธรรมเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษของพวกเราที่นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรา เวลาจะมีพิธีกรรมต่างๆจะเป็นมงคลสมรสหรือแต่งงานหรือขึ้นบ้านใหม่หรือจะเป็นงานศพเรื่องอะไรก็ตามถ้ามีพิธีทางพระพุทธศาสนาบัณพระบุรุษของพวกเราจึงให้ไหว้พระจากนั้นก็สมาทานศีลห้าคล้ายๆว่าให้สำานึกววาอยู่เสมอว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงสาหรับผู้ที่รักษา เพานั้นขอให้พวกเราขณศราชกาญาติโยมลูกหลานทุกคนคิดดูสิว่าที่หลวงพ่อได้กล่าวออกไปนี้เนี่ท้ให้ฟังนี่เป็นยังไงศีลของพระพุทธเจา้าเพื่อใครใครจะเป็นผู้รักษาเป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขความเจริญหรือความร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนและสังคมของพวกเราพวกเราจะต้องนี่แหละช่วยการคิดช่วยการรักษา ถ้าใครมารักษาก็ตามอย่างพวกเราท่านทนายได้ยินวันนี้ล่ะโอ้หลวงพ่อยินนี่พูดให้ฟังวันนี้ถูกต้องถูกต้องข้าพเจ้ายอมรับเอาเถอะถึงใครจะม่รักษาก็เถอะข้าพเจ้าคนหนึ่งจะรักษาสินข้าพเจ้าจะรักษาสินห้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่คิดฆ่าข้าพเจ้าจะไม่คิดขโมยข้าพเจ้าจะเคารพสิทธิในสามีภรรยาคนอื่น ข้าพเจ้าจะไม่โกหกข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราแดดขาดคือนับหนึ่งจากข้าพเจ้าในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายนับหนึ่งต่างคนต่างนับหนึ่งที่นั่งอยู่ที่ศาลาของหลวงพ่อเนี่หลายร้อยคนนับถึงทั้งหมดออกจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศินหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่เดี๋ยวก็มากเองฮแต่ถ้าเราพวกเรา ข้าไม่พร้อมคนอื่นควรจะรักษาสินแล้วทีในี้ใครจะเป็นคนรักษาเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเรา ท, ทุกท่านเมื่อได้ยินคาพูดหลวงพ่อว่ามีเหตุมีผลแล้วหลวงพ่อว่าพวกเราควรจะรักษาศินอย่างหลวงพ่อที่พูดให้ให้พวกลูกหลานฟังเนี่ยหลวงพ่อมั่นใจแล้วก็หลวงพ่อรักษาอย่างเคร่งครัดอีกต่างหากเรื่องศินเพราะเห็นว่าเห็นโทษในการเป็นอยู่ถ้าไม่คนไม่มีศินแล้ว หาความไว้เนื้อเชื่อใจกันยากเพราะเหตุไยเพรา ะ, ะไม่รู้ว่าจะมาออกมาในรูปลักษณะอย่างไรไม้ไหนเราไม่รู้อาจจะมีที่รับที่แจง้งเพราะเหตุไยเพราะไม่มีสินแต่ถ้าคนมีสินอยู่ด้วยกันถึงจะมากมายขนาดไหนก็เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันความไว้ใจกันความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มของพวกเราอันนี้คือศิลและหลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่า พวกเราจะหลวงพ่อจะเน้นเรื่องสมาธิทีนี่เพราะว่าเรื่องสมาธิเนี่ยโดยมากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็ให้นั่งสมาธิเนะให้ภาวนาเนาะแต่วิธีการปฏิบัติวิธีการทำหนึ่งสองสามสี่ขั้นตอนในการปฏิบัตินั้นท่านก็ไม่ได้สอนในรายละเอียดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงจะเน้นจุดนี้อยากจะให้พวกเรา พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาลูกหลานทั้งหลายให้ภาวนาการภาวนาคํานี้จะเกิดประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อพวกเราแก่เท่าฉลาทุกคนจะต้องมีความฉลาดในที่สุดและถึงจุดจบในที่สุดนั่นแหละการภาวนาคํานี้จะเกิดประโยชน์สําหรับพวกเรานานเท่านานเพราะเราดูใจของตนเองเพราะว่า ในหลักของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันแต่อาศัยกันอยู่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วว่ากายคือส่วนหนึ่งใจคือส่วนหนึ่งใจคือนามธรรมกายคือรูปรรรประธ ร, ะธรรมรูปประธรรมกับนามธรรมอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าพวกเรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจนั้นเห็นได้ชัดในตัวเองไม่ต้องถามใครแต่วิธีการนั่งสมาธินั้นทำยังไงทำยังไงวิธีนั่งสมาธิหลวงพ่อจะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระบรม ค, ครูของพวกเราคือพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ไปปฏิบัติตน หรือไปบวชส่งผนวตรไปบวชอยู่ที่พุทธกายาพวกเราไปประเทศอินเดียคงจะเห็นว่าตรงนี้ละที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือพุทธกายาพราะองค์ในวันเดือนหกเพนเพระองค์นั่งขัดสมาธิวันนั้นก็เป็นวันเดือนหกเพนอากาศคงจะฝนตกคงจะชื้นอากาศคงจะชื้นแผ่นดินคงจะชื้น เออมันเปียกชุ่มนายโสธิยะไปเกี่ยวหญ้าคาผ่านมาเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลำพังสิทธัตถะก็เลยมอบหญ้าคาให้แปดกำมือให้แก่สิธัตถะเมื่อสิธัตถะได้หญ้าคาจากนายโสธิยะจากนั้นสิทธัตถะก็ได้หญ้าคามาแปดกำมือเออคงจะสลับหัวสลับท้ายเออจากนั้นก็พระองค์ก็ปูเอออาถนะ ทางด้านทิศตะวันออกของต้นโพจากนั้นเมื่อปูอาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วสิดฐะขึ้นไปนั่งนั่งอยู่ที่ย่าขาที่เป็นอาชนะหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทำกายให้ตรงออนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรัวาหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นในเมื่อพระองค์ใจของพระองค์แน่วแน่นิ่งคือพระองค์กำหนดลมหายใจเข้าออกสติสัมปชัญญะจู ก, กับที่พระองค์กำหนดไว้คือปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์เกิดญานัทธนะเกิดฌานเกิดยานความรู้พระ อ, องค์น้อมจิตล้ำลึกถึงชาติผลหลังปุเพเนวาสารุสติญาณละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธให้พวกเราสานึกไว้อยู่เสมอว่าตายแล้วไม่สูนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปพิสูจน์ที่โครตต้นโพ จากนั้นพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็มองดูสรรพสัตว์สรรพสัตว์ก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่และองค์อย่างพระที่มานั่งบุพกรรมต่างกันคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นบางคนก็ทำไมโง่ทำไมฉลาดทำไมจิงรวยทำไมจึงจนทำไมจึงพิการพระองค์ก็มองดูหมดพระองค์มองดูแล้วว่ากรรมคือการกระทาการกระทาในอดีต การกระทำกรรมไว้ไม่ดีจึงได้มาเกิดเป็นอย่างนี้พิกงพิการอย่างนี้ถ้าคนที่ร่ำรวยพเพราะเขาเขาทำกรรมดีเขาได้สร้างบุญกุศลไว้ในอดีตเขาจึงมีความสุขอย่างนี้ร่ำรวยอย่างนี้อันนี้เพราะกรรมดีเพราะนั้นพระ พ, พุทธองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีขึ้นมาว่าอากักตังลุกตังเสโยปัชาตปติลุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทาแล้ว จะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นท่านดูท่านมองดูแล้วมาจากกรรมคือการกระทาไม่ใช่พรมเลขิตไม่ใช่พระเจ้าองค์ไหนจะประทานไม่ใช่ใครจะประทานบันดาลให้กรรมคือการกระทาของตนเองนั่นแหละบง่งบอกเป็นผู้ให้ผลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายปัจจุบันนกรรมอย่างปัจจุบันนกรรมสมมติว่าเด็กคนนี้เกิดมาพอเกิดขึ้นมาแล้ว เป็นเด็กก้าวร้าวเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเดล็กไม่เรียนหนังสือเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วเด็กคนหนึ่งใหญ่เด็กขึ้นมาแล้วเป็นผู้เฉลียวฉลาด เ, เชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็การเรียนหนังสือเก่งด้วยอันนี้คือกรรมเลย <c oughs> กรรมคือการกระทาของเด็กแต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเด็กสองคนนี้ใครจะได้ดีกว่ากัน เราควรจะทํานายได้เลยว่าเด็กที่เฉลียวฉลาดตั้งใจเรียนหนังสือเนี่ยอนาคตของเขาต้องดีเพราะเหตุไรเพราะกรรมของเขาในอดีตเนี่ยที่เป็นเด็กเนะ่ยเขาทําดีมาตลอดจากนั้นเขาก็ต้องดีไปตลอดถ้าเด็กคนไหนที่ทํำตัวไม่ดีใหญ่ขึ้นมากับก้าวลวเป็นนักเลงหัวไม้ต่อไปแล้วจะเป็นคนดีไ ห, ไหมเป็นคนดีไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะกรรมในอดีตของเขาจนถึงปัจจุบันเขาทํา แล้วเขาจะได้ดีไหมไม่ได้ดีเพราะเหตุไรเพราะกรรมคือการกระทำนะเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันก็มีกรรมในอดีตก็มีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านอดี้คือพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรุปตอนหัวค่าเลยปุกเพในวาสานุจติยานพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปะตาตยานพอจนสว่างเรียกว่าอาสาวกขย้ยยานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ ได้ตัดสรู้เป็นพระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้วจะไม่เกิดอีกแล้วอันนี้คือในคืนวันเดือน6เพนจากนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรู้อย่างนั้นแต่ทีนี้มาพูดเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นที่เป็นต้นตระกูลของพวกเราที่นี่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลาย ที่ท่านหลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าวิธีการนั่งสมาธินะตอนหัวคำ่ำท่านสอนนสมัยเป็นหลวงพ่อเป็นเนนหลวงปู่ล่าสอนหลวงพ่อนะท่านไ้อเป็นเด็กเด็กชายอินท่านบอกเออเวลาก่อนหลับนอนนะเรามาอยู่ภูภูเขานะนอนอยู่ตามลำพังต้องไหว้พระก่อนนะ แล้วก็แผ่เมตตาถ้าคนแผ่เมตตาแล้ว เ, เทวดาอินพรมลุกขะภูมะเทวดาก็อนุโมทนาเพราะว่าเราไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาไม่เบียดเบียนต่อผู้ใดใครผู้หนึ่งเวลาที่เราจะนอนนะเราหันศีรษะไปทางหมอนเวลานั้น เ, าเราก็กราบานั่งคุกเข่าแล้วก็กราบกราบนึกในใจเราจะไปกราบหมอนธรรมดาล้ว นึกในใจคือกราบพระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามครั้งจากนั้นก็ น, นิพพานังข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์หวังพระนิพพานเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาขอไม่มาเวียนไหยตายเกิดออันนี้เรียกว่าพุทโธธ ร, รมโมสังโฆนิพพานังจากนั้นก็นลาหัง สัมมาสัมพุทธทรพระควาพุทธังพระเขาวันตังกาสวาฆาโตกาสุปฏิปโนโรพระควโตกาจากนั่นก็ น, นโมตัดสะก้าไปเจ้าขอนอบน้อมเะแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมสามจบจากนันกัพุทธังทำมังสังขังยศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรณะเป็นที่พึ่งรู้ติยามปีข้าไปเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สอง ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึง่งตาติยามปีฆะไปเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึง่งเป็นครั้งที่สมจากนั้นถ้าเราได้สวดมนต์อะไรได้แล้วก็สวดถ้าสวดไม่ได้เราก็นั่งปนมมือแผ่เมตตาถ้าว่าอาหารโซคิโตโหมิก็ได้แต่ถ้าถึงจะอาหารสกอเถอรแต่เราก็ต้องนั่งกําหนด ใจของเราอ่ะข้าพรเจ้าจงเป็นสุขนะคำว่าแผ่เมตตาแบบรวบรัดนะหลวงปู่ล่าท่านสองข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไใจโรคกรธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพรเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพรเจ้าปรารถนาทุกๆวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยเถิดนะอันนี้คือการแผ่เมตตา รวบรัดแปลว่าส่งไปให้ทั่วบริเวณที่เราพักพ้าอาศัยให้ทุกวิญญาณที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีที่จะให้บุญกุศลกับผู้ที่มารับได้นี่แหละคื อ, คอการแผ่เมตตาจากนั้นก็กราบสามครั้งพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังจากนั้นก็ทั่งขัดสมาธิแต่ว่าพวกเราคณะัทหายาตโยมทั้งหลาย เวลาจะนั่งสมาธิเราจะไปนั่งขณะที่มีโทรทัศน์มีวิทยุมีโทรศัพท์โทรศัพท์ของตัวเองให้ปิดซะก่อนในขณะนั้นพ่อเราจะนั่งภาวนาเราจะเอาจริงเอาจังเราไม่ควรจะเปิดโทรศัพท์เอาไว้ถ้ามีโทรศัพท์กวนดังขึ้นมามันรบกวนสมาธิในขณะที่เรานั่งภาวนาเราปิดไว้ก่อนในช่วงนั้นมันจะรวยหรือมันจะจนก็คงจะไม่จนในช่วงนั้นรวยในช่วงนั้นหรอกปิดไว้ก่อน เราต้องเอาชนะกิเลสภายในใจของเราให้ได้จากนั้นเราก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวิทยุโทรทัศน์อยู่ในความสงบเงียบถ้ามันเงียบไม่เงียบเราก็ น, นอนเช่ก่อนตอนหัวค่ำนะแต่พอดึกชะ ง, งัดขึ้นมาแล้วลุกมานั่งนี่แหละวิธีการวิธีการฝึกสมาธินะวิธีการที่จะนั่งสมาธินะไม่ใช่นั่งเสียงสนั่นวันไว้ก็มานั่งสมาธิไม่ได้นะ แต่มันไม่สงบหรอกอย่าไปนั่งดีกว่าในช่วงนั้นเราพักผ่อนซะก่อนนอนซะก่อนจากนั้นเราก็ลุกขึ้นมานั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกเนี่ยว้ครูซะก่อนคือการนั่งภาวนานี่ยหรือปฏิบัติธรรมไม่ใช่ความคิดของผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นคำพูดแล้วความตรัสแล้วการแนะนาของพระพุทธเจ้าคือพุทธโธนั่นเอง ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้นั่นน่ะท่านเอาพระธรรมคําสอนออกมาบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเรานำํำทำคําส่งสอนมาปฏิบัติกับพวกเราเองเราก่ น, นั่งขึ้นมาก็ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลองพอมือเอารงมือลองแล้วทีนี้ กําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโถอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นแต่องค์อื่นท่านว่าจุกเนาะพองหนอมีต่้งเยอะแยะคณาจารย์ทุกวันนี้ที่ท่านแนะนําสั่งสอนแต่เอาเถอะพวกเราเป็นลูกหลานของหลวงปู่มั่นเป็นสายของหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ล่านาเกณฑ์เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาว หลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ชอบครูบาอาจารย์ที่เป็นสายหลวงปู่มั่นเราเคารพนับถือสายหลวงปู่มั่นเราปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มั่นที่หลวงปู่มั่นสอนว่าหายใจเข้าพดหายใจออกโถกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้ง40อย่างทางที่หรงพ่อได้บอกกล่าวแต่หลวงปู่มั่นท่านเอามาประยุกต์ใช้สองอย่างคืออาณาปานาสติพร้อมกับบริกรรมพด โถ่ะท่านเอามาใช้สองอย่างกรรมาฐานที่จะทําจิตใจให้สงบหายใจเข้าพุทหายใจออกโถหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถถ้ามันเผลอไปให้ดึงกลับมาให้มากลับมาหาพุทธโถอีกอย่างเก่าเพราะมันเผลอไปดึงกลับมานี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการภาวนาแต่จะให้มันอยู่นิ่งทีเดียว อย่างนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานนะอยไปคิดว่ามันจะนิ่งทีเดียวไม่ใช่แต่ทีนี้พอต่อไปเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงเราจะพยายามทําจิตใจให้สงบไปให้มันไปที่อื่นให้อยู่กับพุทโธค่ะพุทโธพุทโธแต่ถ้าหากว่ามันยังหลุดออกไปอยู่เราให้บริการพุทโธให้ทีทีพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสาทัพอยู่กับ ใจของเราเอาพุโทโธอยู่กับใจเท่านั้นเลยไม่ให้มันเผลออันนี้ก็พุโทโธพุโทโธอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกสอนเอาไว้แต่ท่นี้หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาเออมันหลุดไปตรงไหนบ้มันไปช่วงไหนหลวงพ่อก็เลยมาประยุกต์อีกชวนนึงอีกว่าหายใจเข้าให้นับเลขนะลูกหลานนะขัน์ศรัทธาญาติโยมนะหนึ่งเวลาหายใจออกให้นับสองสสี่ห้าถึงร้อย ร้อแล้วกลับมาอีกนับหนึ่งอีกถ้ามันไม่เผลอนะถ้ามันเผลอมันจะยังไงมันเผลอคือหายใจเขาเป็นเลขขีหนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี่สหายใจออกเป็นเลขคู่สจนถึงร้อยขี่คู่ขี่คู่ขี่คู่แต่ถ้าว่ามันจะเผล่น่ะเออมันจะเบอร์เสร็จแล้วมันจะคู่เท่นี่คู่ขี้เท่นี่เออมันจะทั้งที่มันจะขี้คู่นะมันจะเอาจะคู่ขี่เท่นี่ อหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายจะออกไปจะเป็นเลขคี่อันนั้นมันเผลอแล้วหลงล่ะลืมล่ะต้องตั้งใหม่อีกแต่ถ้าว่าเรานับไม่ถึงสิบมันเผลอไปไม่รู้กี่ครั้งอันนั้นอย่าไปช้าดใจนะคณะจตหายาติโยมลูกหลานนะ่ะน้องนุ่งทั้งหลายนะอันนี้แหละเป็นโอกาสที่จะเป็นอันเซมเมอร์ที่จะเป็นบ้าได้ไง่ายๆเพราะมันขาดสติบ่อยเหลือเกินพวกเราต้องตั้งสติให้เข้มแข็งอีก ฝึกหัดวิธีการผูกขัดให้อยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธแล้วก็พุทโธพุทโธแล้วกันหนึ่งสอสสอันนี้เราจะรู้จักวิธีการที่ว่ามันหลุดออกช่วงไหนในการภาวนานั้นจากนั้นเวลาเดินเวลาเดินจงกลม เ, เราเดินยังไงหลวงปู่มั่นท่านก็สอนลูกศิษย์ของท่านสอนครูบาอาจารย์ที่เป็นหลวงปู่หลวงตาของพวกเรา ที่มาสอนลูกหลานพวกเราท่านบอกว่าให้กำหนดอยู่สุดทางจงกรมที่มีทางจงกรมเราอยู่ยืนสุดอยู่ทา่าข้างใดข้างหนึ่งที่สุดของทางใดจงกรมจากนั้นยืนให้ตรงแล้วปน ม, มือขึ้นระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงเอามือไว้ในระหว่างท้องท้องน้อยนะ อ, อย่าไป ไกวแขนอย่าไปกอดอก อ, อ, อย่าไปปล่อยมือธรรมดาให้เอาไว้ทิศระหว่างท้องลักษณะท่าลำพึงท่าลำพึงท่าคุ้นคิดวิธีเดินอยกลมจากนั้นขาขวาพดขาซ้ายโถขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถพดโ ถ, โ ถ, โถอันนี้คือวิธีการเดินอยกลมไม่ต้องเดินช้าและไม่ต้องเดินเร็ว เดินตามปกติอันนี้คือการเปลี่ยนอริยาบทแต่มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินอันนี้คือวิธีการเดินเพราะนั้นวิธีการนั่งก็กำหนดลมหายใจวิธีการเดิน ก, ก้าวขับขาวิธีการนอนวิธีการยืนหลวงพ่อจะไม่ยังไม่แนะแนวยังไม่แนะนำนะเ อ, เอาสองอย่างนี้ก่อน เ, อเดินกับนั่งจากนั้นเมื่อเราภาวนาบางคนก็ ภาวนาเข้าไปจิตใจเข้าไปสู่ความสงบได้บ้างเป็นพื้นฐานจากนั้นก็ส่งออกไปข้างนอกอย่างครูบาอาจารย์ที่บางคณะท่านบอกว่าเวลาจิตนั้นก็ส่งออกไปสิไปดูเทวปุตรเทวดาอินพรหมแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นท่านบอกว่าอย่านะอย่าส่งจิตออกนอกนะให้อยู่สติอยู่กับตัวเองนะเวลาจิตมันมันสงบหรือว่ามันเคลิมไปจะไปเห็นนิมิตเรื่องอะไรก็ตาม อย่าไปดูให้ย้อนกลับมาหากรรมฐานเดิมถ้าว่าเราเห็นสิ่งที่น่ากลัวหรือเห็นเป็นเทวบุตรเทวดาก็เถอะเห็นซากศพก็เถอะเห็นผีก็เถอะนะอย่าไปส่งไปตามให้กลับมาหากรรมฐานเดิมถ้าเราไปดูแล้วมันจะถ้าขายายผลไปเรื่อ ย, เ, อยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่สิ่งที่น่ากลัวถ้าสิ่งที่พอใจก็จะพอใจมากจนเคิบเคลิมจนลืมลืมหลงตัวเอง ไม่ดีไม่ถูกต้องนะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแต่ครูบาอาจารย์สายอื่นโดยมากท่านจะบอกเอา้าให้ดูดูเทวบุทเท ว, วดาดูนรกสวรรค์แต่สายของลบปูมันนท่านให้กับถ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นใหาย้อนกลับมาหากรรมฐานเดิคือพุทโธจากนั้นท่านเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเราก็จึงนามาพิจารณาวิปัชนาต่อ วิพัฒนาก็คื อ, อพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายเกสาผมโลมาขนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้นก็คือเดินวิปัสสนาแทอันนั้นคือเมื่อทําจิตใจให้สงบ น, น, นั่นคือสมัทแต่วิปัสสนานี่คือวิธีการเดินให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงแต่ทีนี้บางคนบางคนมาถามหลวงพ่อ บอกว่าผมภาวนาผมไปศึกษากับวัดนั้นสำนักนี้หลายแห่งท่านก็นแนะนำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ที่ไหนอันไหนมันถูกครับแต่หลวงพ่อฟังดูแล้วมันถู ก, กับมันถูกกับทุกๆอย่างแต่ผู้ที่เขามาไปฟังนั้นแยกแยะไม่ออกเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาดูแล้ว มันมีอยู่ในสติปัฏฐานสีเท่านั้นเองกายเวทนาจิตธรรมวิธีการปฏิบตัติกายกำหนดดูกายกำหนดดูเวทนากำหนดดูจิตตัวผู้รู้กำหนดดูธรรมสิ่งที่มากระทบใจกรโดยมากมีแต่สี่ก็มาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักแต่ที่นี่พวกคณะที่เข้ามาลูกหลานเข้ามาศึกษายังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ได้กว้างขวาง ครูบาอาจารย์แนะนำทั้งอย่างไรก็ทําไปพ่อทําเข้าไปทีนี้มันสับสนนี่ทีนี้ไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งอย่างมาหลวงปู่มัน่นท่านบก่กหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มัน่นเออเรารู้ถนัดในการทํานาอเราจะสอนวิธีการทํานาการทํานาเข้าไปแล้วจะกินข้าวแล้วจะได้ขายขายข้าวอีกได้เงินนะแต่คนหนึ่งบอกว่าอผมถนัดในทางทําไร่ข้าวโพด คนหนึ่งผมถนัดในการทำสวนอย่างแต่คนหนึ่งผมถนัดในการทามันสำปะหลังแต่คนหนึ่งผมทำมาค้าขายแต่คนหนึ่งผมขายของชำคนหนึ่งผมทำราชการเป็นครูเป็นตำรวจทหารที่นี่มีวิชาอาชีพอยู่มากมายที่นี่ เ, เราจะยึดอะไรถ้าเรายึดตามแนวแถวลปผ่มันวิธีการทำนา ก็จะสอนวิธีการทํานาวิธีการปฏิบัติวิธีทำทำสมาธิทําจิตใจให้สงบและก็วิธีเดินสมาธิละวิปัสสนาอันนี้เราจะเดินตามแนวแถวหลวงปู่มั่นแต่ถ้าว่าพวกเราเศึกษาหลวงปู่มั่นด้วยแล้วไปศึกษาสายอื่นด้วยผลใน้สวก็เลยสับสนไปหมด เ, เดี๋ยวกระโดดมาทํานาแล้วกระโดดไปกีดยางเดี๋ยวกระโดดไปทำไร่ข้อโพดเอาเลยผลได้สก็เลยไม่เป็นตูุเป็นตะ ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลนี่แล้วก็สับสนเพ้อเผอตาแดงเข้าจะเป็นบ้าอะไรง่ายๆเลพราะอะไรมันแยกแยะไม่ออกเพราะฉนั้นพวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ยึดตามแนวแถวสายสายลุงปู่มั่นแต่จะยึดสายอื่นลุงพ่อ ก, ก็ไม่ว่าโตกแต่ต้องศึกษาในรายละเอียดเพราะถ้าว่าเราเดินตามแนวสายลุงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของพวกเรานะมีมากวิธีการสเดินมักเดินยังไงเดินวิปัสสนาเดินยังไง จะทำจิตใจให้สงบทำยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อพูดวิธีการทำจิตใจให้สงบคือกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโถหรือว่าพุทโถพุทโถเอเ่อรียกว่านับหนึ่งสองอันนี้ก็คือวิธีการทำจิตใจให้สงบในเมื่อจิตใจสงบลงในขณะหนึ่งถ้าจิตใจเราไม่ส่งออกไปข้างนอกจิตใจของเราจะรวมจะงบในในระดับหนึ่งนะวพอมันรวมเข้ามาเหมือนกับ มีน้ำคะารมันลดในความรู้สึกของเราเย็นว่ามีความรู้สึกผิดปกติในใจของเราที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยอันนี้เรียกว่าสมาธิเบื้องต้นรือว่าคณิกะสมาธิคือจิตที่สงบเข้าไปเบื้องต้นเป็นครั้งแรกอันนี้คณิกะแต่ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจไม่ให้มันเผลอดูสติควบคุมอยู่ตลอดต่อมาจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบ จะเป็นอุปจาระสมาธิจิตของเราอยู่ในอยู่ในคอนโทรลแล้ว่าอยู่ในที่เราบังคับสติบังคับจิตจิตใจของเราจะไม่คิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกจิตใจจะไม่สลบไปที่อื่นจิตใจจะไม่หิวไม่ห่วยรักษาอยู่ในในสมาธิ น, นั้น เ, เรากาหนดให้อยู่อยู่นิ่งสติกับสติกับจิตนี่ควบคุมกันอยู่แต่เรายังได้ยินเสียง คนเสียงคู่เสียงคนเสียงสัตว์เสียงอะไรเราได้ยินเราจังส่งอยู่แต่มันไม่ออกไปแต่รู้ว่าเสียงอะไรแต่มันก็อยู่กำหนดอยู่ที่ตัวผู้รูนะ้เห็นอยู่ในตัวผู้รู้เท่านั้นอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิถ้ามันดิ่งลงไปอีกสู่ความสงบจิตใจดิ่งลงไปสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้น สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเห็นได้ชัดนั่เมื่อเห็นได้ชัดแล้วเราจะแยกออกว่ากายกับใจนี่ยร่างกายกับใจนี่เป็นคนละอ่านกันเห็นได้ชัดเจนเลยท่านเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนยะ์น่ยร่างกายนี่ศูนยะ์แน่เผาไฟทิ้งแน่แนเอาไปฝังดินทิ้งแน่แนแต่ว่านามธรรมคือจิตใจนะ่ะจะต้องออกจากร่างนี้ไปคือนามธรรม เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญเรื่องของใจคือนา ม, มาธรรมนี่มากกว่ารูปธรรมมากกว่าร่างกายท่านจึงให้เป็นพุทธพาณิทย์ว่ามโนปุพังขามาธรรมามโนเศรถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละในเมื่อเรารู้ว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ร่างกายของเรานี่นะใจของเรานี่นะออกจากร่างแล้วเนะี่ยใจของเราได้เตรียมตัวไว้อะไรไว้บ้างได้สร้างสมสั่งสมคุณงามความดีอะไรไว้บ้างได้ประกอบคุณงามความดีอะไรไว้บ้างเป็นที่พอใจเราหรืออย่างแต่ถ้าคว่าเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมนะในเมื่อออกจากร่างนี้อีกสักวันหนึ่งเมื่อออกจากร่างนี้แล้วเราไม่ได้เตรียมเงิน ที่จะซื้อรถคันใหม่คือเราไม่ไมีบุญใจของเราไม่มีบุญเพราะเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้เตรียมพร้อมเมื่อใจของเราออกจากร่างนี่แล้วเราจะไปที่ไหนแขงคว้างนะเดี๋ยวไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่เป็นสัตว์ที่ระชานได้ไง่ายๆนะตกนรกนได้ง่ายๆนะนี่แหละพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ให้ปฏิบัติ นะตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราจะรู้เป็นแนวทางรู้วนทางปฏิบัติกับตนเองนี่แหละขอให้พวกเราคณะจทหายาโยมลูกหลานทุกๆท่านทุกๆคนนะเมื่อได้ฟังธทำที่หลวงพ่อได้แนะนําบอกกล่าวไปนี้แต่หลวงพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะถ้าหลวงพ่ออินพูดนี่อย่าเพิ่งเชื่อหลวงพ่อเองเขาไม่ให้เชื่อหลวงพ่อเหมือนกันเพราะเหตุลไยเพราะว่า ถ้าหลวงพ่อพูดไปแล้วพวกเราเชื่อเฉลยเหมือนกับหลวงพ่อบอกว่าเหมือนกับพวกเราเป็นวัวเป็นควายสนเขาสนตะไคร่แล้วก็อ่จูงตามหลังหลวงพ่อพูดอะไรก็เชื่อหมดไม่เป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายแนะนําพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นแนวความคิดเป็นอัจฉริยะให้ใช้ความคิดของตนเองจากนั้นก็ทดลองทดสอบดูว่ามันจริงไหม ที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยแล้วก็จากนั้นยังค่อยเชื่อถ้ามีศรัทธาเท่าไรให้เชื่อทีนี้ถ้าหากว่ายังปฏิบัติยังไม่ได้ให้ทดลองอย่าพึ่งปฏิเสธถ้าปฏิเสธก็โง่อีกแบบหนึ่งใครฟังเท่าไรก็หัวชนฝาไม่ยอมฟังใครก็โง่อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าหากว่าพูดอะไรให้ฟังเชื่อมดอันนี้ก็โง่อีกแบบหนึ่งหัวอ่อนเกินไปเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้ทั้งสองอย่างต้องมีพวกเราต้องมีเหตุผล เชื่ อ, อยังไงไม่เชื่ อ, อยังไงเชื่อสมควรที่จะเชื่อศรัท ธ, ธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่ออถ้าไม่ควรเชื่อแล้วอย่าเชื่อขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสในพระไตรปิฎกว่าดูก่อนสารีบรที่เราตถาคตพูดตรัสไปนี้นะ่ะท่านเชื่อไหมภาษาไรบบตรว่ายังก่อนพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วข้าพระองค์จะ มาทูกลกราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าค่ะขนาดพระพุทธทเจ้าสั่งภาษาริบุตรก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจัทธาราจโยมลูกหลานทุกคนนะให้ฟังไว้และก็ น, นาไปประพฤติปฏิบัติให้นั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อพูดและความเชื่อจะเกิดกับกับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองทีนี้เพราพเหตุว่าเมื่อจิตสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้โดยตนเองว่า กายกับใจอาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถรถที่จะไปได้ก็ต้องอาศัยคนคนขับนะถ้ามันรถหมดสภาพแล้วคนจะฝีมือขนาดไหนก็ฝีมือเถอะขับรถละเมืรถนาะก็ไปไม่ได้ตายเพราะอะไรเพราะว่าหมดรถหมดสภาพอายุมันมากแล้วนะนี่แหละขอให้ฝากไว้กับคณะสัตธ์ายญาติโยมลูกหลานน้องนุ่งท้งหลายเน้อ พระเนนที่ครูบาอาจารย์ที่ได้ได้ฝึกมาแล้วก็ไม่ว่ากันน้องนุ่งทั้งหลายที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังนะ่ะก็ให้ฟังฟังศึกษาเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาได้กล่าวหลวงพ่อมั่นใจว่าแนะนำไม่ผิดนะเพราะหลวงพ่อเองเอได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติก็เห็นว่าไม่มีทางอื่น เ, เชื่อเกินร้อยเลยหลวงพ่อเนี่ยนะ พ่อหลวงพ่อเองก็บวชแต่เป็นสำมเนินอายุ 11-12 อปีจากนั้นก่อนนี่ละอายุถึง69ปีแล้ปีลูกหลานฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนานานเท่านานทีเดียวเพราะนั้นการพูด เ, เรื่องอะไรก็ตามหลวงพ่อจริงจั ง, จงและจริงใจอยากจะให้ลูกหลานได้ศึกษาแต่ทางนี้ทางนั้นก็ให้พูดให้ฟังเป็นแนวทางให้พวกลูกหลานได้ศึกษาให้กว้างขวางจากนั้นก็นา ม, มาประพฤติปฏิบัต เมื่อพวกเรานํำประพฤติปฏิบัติแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรจากลูกหลานเพราะหลวงพ่อก็ได้ได้ทำคําสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลวงพ่อเองก็ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ฟังได้ศึกษาในเมื่อลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับได้วิชาความรู้จากหลวงพ่อไปแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติได้ผลได้มักได้ผล จิตใจเข้าสู่ความสงบจากนั้นก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างได้มากที่ฉุดก็คือโอ้ขอขอบคุณหลวงพ่ออินที่ได้แนะนําให้ให้เราประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราจึงได้รับความสงบขอบคุณมากๆหลวงพ่ออินหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่นั้นล่ะได้ขอบคุณเท่านั้นเองหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานน้องนุง่นงทั้งหลายอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลาย เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีสมาธิธรรมมีวิปัสสนาธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเท่านั้นลหละในความคิดของหลวงพ่อเพราะการพูดและการกล่าวสมโภชนิยกถาในวันนี้เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจขุนพระสีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนาจบุญบรารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเธอ